ปฏิบัติธรรมกันร่างกายของเรารูปธรรมจิตใจของเรานามธรรมถ้าดูจนเห็นความรู้สึกตัวเป็นอาการของกายอาการของจิตกริยาอาการของกาย พฤติกรรมของจิตเราก็เลือกหยิบเอาใช้ทำประโยชน์ตามหน้าที่ตามเหตุตามปัจจัยเนื้อเหตุเนื้อปัจจัยมันจึงมีจริยธรรมมีศีลธรรม มีวัฒนธรรมมีการละเชื่อทำดีมีการชำระจิตตัวชำระจิตเข้าสู่สภาวะขององค์ภาวนาที่มันตรงไปตรงมาเลยว่าการเคลื่อนมือการเดินจงกรมการปุกการเล้าการกวนการมีกรอบ ให้จิตมันได้ทำปฏิบัติธรรมจนเกิดดวงตาย เ, เห็นธรรมก็จะเห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงเกี่ยวข้องถูกต้องต่อไปขณะต่อขณะมันจึงมีการเริ่มต้นที่เราโดยใสยความศรัทธ า, าศัยปัญญา อาศัยความเชื่ออาศัยการไข้ครวนพิจารณามีความเห็นตรงในสิ่งที่ทำมีความขยันมีสมาธิมีสติคือการ ร, รู้ความรู้สึกตัวแต่ละขณะนะ ต้อง ต, ตื่นยันหลับตั้งแต่อีโบทหยาบไปหาอีบทละเอียดตั้งแต่รูปแบบออกนอกรูปแบบทำให้เป็นโนะยเฉาะการเจตนาเคลื่อนทำให้เป็นมันเป็นบทเริ่มต้นของกรรมฐานวิชากรรมฐานมันนักมวย จะโชคบนเวทีได้ก็ต้องแต่กระสอบสายให้ถูกเหมือนนักแม่นปืนจะยิงเป้าบินได้ก็ต้องยิงเป้านิ่งให้ถูกจะยิงถูกเป้าเล็กก็ต้องยิงเป้าใหญ่ให้ถูกความรู้สึกตัวในรูปแบบน้ำใหญ่ลมหายใจตากระพริบท้องพองยบมันเล็กลงในพัการเห็นสภาวะธรรม ีจิตก็มีพฤติกรรมต่างๆนี้ยิ่งละเอียดเป็นนามธรรมจะสัมผัสธาตุรู้ธาตุว่างก็ต้องลงแล้วหลงอีกเห็นมันหลงเห็นมันเผลอมันจะเห็นได้ก็ต้องแยบคายกับตัวเองเฝ้าดูเห็นตัวเองหันตากลับมา กลับมาดูกายดูใจมันก็เห็นชัดเจนที่ตัวเราเนี่แหละดูไปดูมาจนไม่ใช่เราเคลื่อนไหวไปเคลื่อนไหวมาจนได้มีผู้เคลื่อนไหวมันก็เลยได้คำตอบ mm hmm. เห็นเป็นอาการ มันก็จึงสนุกสนานไปกับการปฏิบัติทั้งวันแล้วเข้าใจในสัมผัสมันจึงหมดคําถามตรงนี้มันจะไม่มีคําถามอะไรเป็นอะไรมันก็รู้กันใครพูดอะไรถึงไหนมันก็รู้กันมันไม่มีการโต้แย้งขัดแย้งอะไรัรงนั้นนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งเดียวกันมันจะเริ่มต้นมันจะทํากลางจะที่สุดนะ มันก็ไม่ถูกไม่ผิดก็แล้วแต่ธรรมะสมควรแก่การปฏิบัติมันจะปรากฏขึ้นมาให้ได้สัมผัสสมควรแก่การปฏิบัติเหมือนกันจะมากจะน้อยเราก็ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เกิดกาไรในเ ร, เรื่องการเวรธรรมจิตภาวนาเนี่ยเราโดยเฉพาะเรื่องอื่นก็มีบ้างกิจวัตรประจาวันหน้าที่ ก็มีบ้างตามสนานัสารูปเราก็ใช้ชีวิตดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเหมือนกับที่เราสวดกันเมื่อสักครู่นะองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธะนะก่อนที่จะเสด็จดับขันบริธิพัยไปได้สั่งเอาไว้อัปมาเทนะสัมปะเททะ ทำความไม่ประมาทใหถึงพร้อมเถิดก็หมายถึงว่าทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงด้วยความไม่ประมาเทเติดีก็มีสติการคิดการพูดการทำนี่มันก็เป็นผลเบื้องต้นก็คือเราอยู่กับสมมติอยู่กับโลกทั้งใบโลกก็มีสมมติจัดสมมติเอาไวนะ้เป็นว่าทำประเพณีต่างๆ จริย ธ, ธรรมศีลธรรมมารยาทกฎ ก, ฎกฎติกาต่างๆมีนิติในมีกฎหมายมีข้อบังคับต่างๆเราได้ใช้เป็นสมมติบัญญัติเบื้องต้นรู้สมมุติจาเพื่มีศีล5้ศีล8ศีลสศีลรีมี311อยอย่างที่เรานั่งรวมกันเนี่ยมันก็มีอยู่ตามสมมติบัญญัติ พอสองยกให้เป็นทิศเบื้องสูงอย่างี้ตามสมมติบัญญัตินถ้าเป็นสภาวะธรรมมันก็สูงจริงๆข้างในในใจเราใจสูงเป็นมนุษย์เป็นพรหมเป็นพระใจสูงมันก็เป็นลักษณะของสมมติบัญญัตินะมีสมมติมีบัญญัติ มีปรมาถะสภาวะ <Okay. S 2> มันมีอยู่อันนี้มันสมมุติเหมือบัญญัตินี่ยมแล้วแต่ใครจะสมมติใครเป็นอะไรมาแล้วแต่สมมุติทั้งหมด <Okay. S 2> ใจเราไม่ทุกข์สมมุติแล้วกดสมมุติแล้วรอดสมมติแล้วห ล, ลง <Okay. S 2> บัญญัติลงไปเป็นความโลภความกดความหลง <Okay. S 2> แต่เราเห็นเป็นปรมาสัย <Okay. S 2> เห็นเป็นอาการ <Okay. S 2> มันก็จบลงตรงที่ดู ดูแลเห็นเห็นแล้วไม่เข้าไปเป็นมันจบตรงนั้นความรู้สึกตัวที่หยาบไม่เห็นของละเอียด <Yeah. S 2> เห็นประมาณ <Yeah. S 2> เดิมทีมันเห็นห บ, บาบหยาเหเป็นสมมติเงี้ยก็สมมติกันไปให้ <Yeah. S 2> ช้างไอ้ไม้ไอ้ดําไอ้ไอขาวให้ <Yeah. S 2> เหวีไอ้หา <Yeah. S 2> อะไรต่างๆ <Yeah. S 2> แล้วแต่ <Yeah. S 2> แต่ท้ายสุดมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอก yeah. ถ้าจะเป็นก็เป็นที่ใจเรา <Yeah. S 2> เราไม่ใช่คนเราเห็นคนอื่นไม่ใช่คนเราไม่มีธรรมะเราเห็นคนอื่นไม่มีธรรมะ <Yeah. S 2> มันคือเรา <Yeah. S 2> เรามีกรอบมีกฎกติกาแล้วก็กอบของเราไปวัดคนอื่นมาถูกว่าผิดเอาเราเป็นศูนย์กลาง <Yeah. S 2> ถ้าที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องของสมมุติบัญญัติถ้าใครลงยึดเข้าไปก็เสียเวลาเดินทาง yeah. ก็จึงน่ละใช้ความรู้สึกตัวเป็นตัวนำเป็นรรมาเป็นวินัยความรู้สึกตัวเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ทุกครั้งที่สัมผัสเป็นการเดินทางจากรูปทำนำทำมาเป็นความรู้สึกตัวจากรู้มาเป็นความรู้สึกตัวจากหลงมาเป็นความรู้สึกตัวจากเพ่งมาเป็นความรู้สึกตัวจากเผลอมาเป็นความรู้สึกตัว ดูเป็นอาการมันทําได้จริ ง, รงๆตรงนี้ถ้าเฝ้าดูเฝ้าเห็นเห็นแล้วเห็นอีกซ้ําจนแตกฉานออกมามันก็อยู่เนืโลกเป็นโลกมันมีนินทามีสรรเสริญมีราบเสื่อมราบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์แต่ว่ามันคืนสู่สภาวะปกตินินทาก็ปกติสรรเสริญก็ปกติมันก็รู้อยู่ มีลาบเสื่อมลาบก็รู้อยู่ mm hmm. เห็นอยู่มีทุกข์มีสุขก็เห็นอยู่ม mm hmm. ันเป็นเพียงแค่อาการเป็นเพียงแค่กิริยาอาการ mm hmm. มันก็ได้คําตอบตรงนั้นมันก็หยุดโลกหยุดโลกอยู่หนาโลก mm hmm. โลกจะทําทอะไรเราไม่ได้เหมือนยืนดูคลื่น เคลือนก็ทำอะไรเราไม่ได้ตรงนั้นแหละมันก็คืออริยะจะเบื้องต้นทํากลางที่สุดมันก็คืออริยะที่มันเป็นผลเป็นบทพิสูจน์ว่าพุทธศาสนามีจริงพุทธศาสนามีของเลื่อนลอยไม่ใช่ของหลอกลวงพุทธศาสนามีที่ไกลอยู่ในใจของใครพุทธศาสนาคนนั้นก็ไม่ทุกข์ ก็เลยเป็นเรื่องของไครของเราที่ต้องพิสูจน์สัจจะความจริงนะที่มีอยู่แล้วในตัวเราทุกคนเราจึงสนใจใส่ใจนะกับวิธีทางนะที่ครูบาอาจารยนะ์อย่างเช่นเมื่อวานหลวงพ่อเขียนท่านก็ชี้ตรงนะท่านพูดเนี่ยเราฟังดูแล้วเนะนี่ยอืมนานๆต้องอยอพูดเองถำว่าชัดเจน เราก็มั่นใจในทางเดินหลวงพูทเทียนก็ตามตรงแม้จะมรณภาพไปแล้วทุกครั้งที่ได้ฟังท่านพูดมันก็เป็นศัจธรรมที่ตรงไปตรงมาซื่อๆพูดตรงไปตรงมาเราก็น้อมก็มันก็ตรงก็โดนกับสภาวะที่มีอยู่เป็นอยู่เหมือนกันยิ่งศึกษาปัตติปิดก ในพรตไตยปิดกนมันก็คือสภาวธรรมพอปฏิบัติไปแล้วเราไปอ่านดูโอ้มันใช่หมดนั่นแหละ<ม>แต่ถ้ายัางไม่รู้มันก็ไม่เข้าใจนะแต่ยังไม่ได้สัมผัสยังไงยังไงมันก็ไม่เข้าใจอ่านใครอ่านใครกี่คนมันก็ไม่เข้าใจจะฟังใครพูดมันก็ไม่เข้าใจมันไม่ใช่มันไม่ใช่อยา่นั้นนะ แต่พอมันมีแล้วยังไงยังไงมันก็ใช่ฝนจะตกแดดจะออกฟ้าจะผ่าจะหนาวจะร้อนจะอ่อนจะแข็งว่าเือทำมัดทั้งหมดนั่นแหะจะนั่งจะเดินจะยืนจะนอนจะกินจะขับถ่ายมันก็ทำมัดทั้งหมดนั่นแหละเป็นการปฏิบัติธรรมทั้งหมดจะคิดจะพูดจะทําจะนั่งจะนอนมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวความรู้สึกตัวมันเป็นความรู้สึกตัวได้ไหม ความรู้สึกตัวทุกครั้งทุกขณะที่เราได้สัมผัสมันคือตัวปัญญาจากความรู้สึกตัวมันเป็นปัญญาจากความรู้สึกตัวมันเป็นความธรรมดาแล้วก็ความรู้สึกตัวมันก็เป็นธรรมชาติมันก็เลยเป็นเรื่องที่เราทาได้ทุกคนความรู้สึกตัวหยาบหยาบ การเคลื่อนมือจิตใจของเราดูอยู่รู้อยู่ด้วยกำลังของสติสมาธิปัญญาเห็นอยู่ mm hmm. การเดินจงกรมการปลุกเล้าการเคลื่อนมือสิบสีจังหวะตอนงานหลวงปู่เทียนะมีประเด็ น, นที่พูดกั น, น mm hmm. ก็ได้ฟังสังเกตดู mm hmm. ไม่ได้สังเกตการฟังอย่างเดียวก็สังเกตรอบๆตัว ในบรรยากาศของครูบาอาจารย์ที่มาระดมรวมตัวให้เกิดพลังประกาศคล้ายๆเป็นการประกาศคำสอนหลวงปู่เทียนคาสอนของพระเจ้าหรือว่าคำสอนของศาสดาใดก็ตามที่มีอยู่ในโลกที่พูดกันถึงเรื่องความเป็นปกติของจิตก็เห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆได้ฟังคำพูดต่างๆ โดยเฉพาะเจ้าวาอาจารย์ไพศาลท่านก็พูดเน้นย้ำชัดนะเมื่ออาจารย์ท่านหนึ่งได้ถามแบบตรงไปตรงมาโดยเาะีเราไปช่วยเหลือนะการที่เราเอาคุณธรรมเจธรรมการจัดดอกไม้การ อาสาช่วยเหลือเนะี่สิ่งหเหล่านี้หลวงพ่อเตียนท่านสอนอยังไงนะเพราะว่าตัวท่านเองท่านได้ปฏิบัติคนถามแต่ว่าการปฏิบัติเนะี่ยมันเหมือนกับว่าต้องเดินจงกรมต้องนั่งสร้างจังหวะต้องนั่งปฏิบัติวิธีการใดวิธีการหนึ่ง มันจะเริ่มต้นยังไงก็มีคำตอบสิ่งที่ท่านพูดที่ท่านแสดงออกหมายถึงการจัดดอกไม้การทำงานทำการต่างๆมันก็เป็นการเบื้องต้นที่จะจัดระเบียบจิตใจซึ่งจริงๆก็คือการทำดีให้ถึงพร้อมนั่นเอง ไม่ล่อละเชื่อเราละลึกถึงสภาวะของความทุกข์ที่เกิดจากคนอื่นทํากับเราหรือว่าเราทํากับคนอื่นไว้เวลาปฏิบัติจะปุดเกิดขึ้นมาแน่นอนอะไรที่เป็นทุกข์ก่อนเข้าวัดที่มันใกล้ๆตัวจะแสดงออกแน่นอนสําหราับผู้ที่เคลื่อนมือสร้างจังหวะเดินจงกรมทีิงๆของจังหรือว่าเก็บตัวภายในมันก็แสดงออกมา เคยมีจุดอ่อนในชีวิตนะเคยมีปมด้อยอะไรต่างๆมันจะพุดเกิดขึ้นมาความไม่สงบังต่างๆเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นบางทีก็มีการกระทาที่มันรอการเอาคืนอยู่คนนั้นทำกับเราคนนี้ทำกับเรามันก็จะแสดงออกมาเป็นผลของการเกี่ยวข้องแบบจิตอกุศลไม่ฉลาด เราคนอื่นเราคนอื่นกับเราต่อมาเมื่อมันรู้เท่ารู้ทันเมื่อเกิดการให้อภัยขึ้นมาเกิดการเมตตาขึ้นมาเากิดการอโหสิกรรมขึม้นมาเมื่อมีสติรู้เท่ารู้ทันเพราะทุกครั้งที่คิดมันทุกข์ทั้งนั้นแล้วก็ทําอะไรก็ไม่ได้มันก็ครับอกครับใจมันก็จะมีตัวนี้เกิดขึ้นมาเกิดการทุกทวนนั่งเดินยืนนอน มันก็จะมีแต่เรื่องเดิมๆ เ, เก่าๆพูดเกิดขึ้นมาเป็นอดีตอยเงีมื่อเรามาสู่ปัจจุบันรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวไม่ทําตามก็สังเกตเห็นนะอาการเหล่านั้นก็อ่อนตัวลงไปบางทีนอนหลับตื่นมาก็หายไปนะแต่พอมีความคิดเกิดขึ้นมาใหม่มันก็มีอารมณ์ตกค้างเก็บกดแสดงตัวออกมาอีกอย่างเงี้ยมันก็ไม่หมดไปสักทนะีจนกว่า มนเริ่มที่จะจับความรู้สึกตัวที่ปัจจุบันได้นะมันก็จะปล่อยๆวางๆรู้เท่ารู้ทันนะคิดปับรู้ปุ๊บคิดปับรู้ปุ๊บอย่างเงี้ยท้ายสุดก็คือจะเป็นอารมณ์บุญเกิดขึ้นมานะบางทีมันก็รู้สึกตัวไม่ทันในขณะที่คิดแล้วก็โลบกดหลงขึ้นมานะมันก็จะเกิดอาการความคิดอีกตัวหนึ่งแสดงออกมาคิดในแง่ดีแล้วกบทับไว้ก่อน ก็เกิดอารมณ์บุญขึ้นมาคิดแล้วเป็นบุญนะคิดแล้วเกิดโอหิกรรมในความคิดคิดแล้วให้อภัยในความคิดอย่างเงี้ยตรงนี้หลวงปู่เทียนใช้คําว่าเอาขี้เป็ดไปล้างขี้ไกนะ่เอาความคิดไปล้างความคิดอย่างเงี้ยเราก็อ๋อมันมีตัวนี้ด้วยนะคือคิดนั่นเองนะตัวขี้เป็ดไปล้างขีไก่เหม็นทั้งคูนะ่ให้กลับมาที่ความรู้สึกตัวทิ่ฐานกายสัมผัสรู้สึกสัมผัสรู้สึกนะ ก็จะจับตัวจิตตภาวนาตรงๆที่เป็นประเด็นที่มันใช้ได้จริงๆเลยต้องเข้าไปในสมองเข้าไปในภาษามันออกมาเหนือภาษาทั้งหมดเป็นแค่สัมผัสสัมผัสรู้ตื่นๆไม่ได้รู้ลึกแล้วก็เป็นลนักษณะของสัมผัสและตัดทันทีตัดกรรมทันทีโอติกรรม โดยไม่ต้องมีภาษาเป็นภาษามนุษย์ต่อไปอย่างี้นะมันจะไม่มีการคิดค่ควรพิจารณาเลยทั้งหมดนะมันเป็นองค์ภาวนานะที่รัดๆสั้นๆนทุกครั้งที่เคลื่อนไหวแล้วก็รู้สึกตัวจะเคลื่อนมือก็ได้หรือว่าจะเดินจงกรมก็ได้หรือว่าจะขยับนิ้วเล็กๆก็ได้สำหรับคนที่นะมีความชำนาญในการดูไกย เราก็ไม่ต้องดูเป้าใหญ่ก็ได้ที่มาดูลมหายใจก็ได้นะตองพองยุบเลืออะไรก็ได้วิธีการที่มีอยู่ในโลกนนะีมันก็เป็นการฝึกสติแต่ว่าการเคลื่อนเหมือ น, นี่มันชัดหน่อยนะเพราะว่าการเจตนาเคลื่อนในชีวิตของเราเนะี่ย14จังหวะมันไม่ค่อยมีนะมันจึงเป็นการซักซ้อมเป็นการจำลองนะให้มันเกิดสภาวะของการเคลื่อนไหวของกายก็คือทุกข์นั่นแหละนะเป็นการกำหนดรู้ทุกข์ ปฏิบัติธรรมเนี่ยมันต้องเห็นทุกข์นะเห็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์แล้วก้าวลงจากความทุกขนะ์ร่างกายของเรานะเป็นมหาปูตารูปนะมันก็จะขยับเคลื่อนไหวนะนั่งเดินยือนนอนหันซ้ายแลขวาต่างๆนะมันก็คือลักษณะอาการของทุกข์นั่นแหละนะทีนี้เรารู้ไม่ทันปกติเราเดินก็เดินฟรีๆนั่งก็นั่งฟรีๆ นั่งไปคิดไปนอนไปฝันไปก็คืนว่าฝันกลางวันว่าคิดนี่รก็เลยมานั่งตั้งใจที่จะฝึกหัดโดยใส่เจตนาลงไปนะวิชากรรมฐานเนะีเพราะฉะนั้นเริ่มต้นในรูปแบบนะมันก็เข้าสู่สภาวะของประวัตศสภาวะนะแต่ว่ามันอาจจะติดๆขั ด, ข, ดขัดอยู่บ้างอันนี้ต้องอาศาัยคู่บาอาจารยนะ์อาศาัยคนที่เราศรัทธาที่เราเคารพเชื่อว่าท า, ารู้จริง ใครก็ได้ไปภาวนาตัวกับเขาหลวงพ่อคําเขียนเนี่ยท่านบอกเลยว่าถ้าปฏิบัติแล้วติดอารมณ์นะีให้ถามได้ตลอด24ชั่วโมงนีท่านพูดเร่างนั้นเลยเรื่องปฏิบัติธรรม่ต้องมาก่อนหรู้ว่าเราเห็นหลวงปู่เทียนนะเคยได้ยินได้ฟังได้อ่านท่านป่วยนอนอยู่ที่โรงพยาบาลมีคนติดอารมณ์หนึ่งค น, นั้นนะ่นะท่านก็ออกจากโรงพยาบาลเลย บางทีท่านอยู่ที่วัดสนามในอย่างนี้นะมีคนตดียวลมหนึ่งคนนะท่านมาเลยนั่งเครื่องมาหาเลยนั่นนะคือความรับผิดชอบของครูบาอาจารย์นะแม้คนเดียวก็มีความหมายนะถ้าตั้งใจไปบัตรนะแต่ถ้าไม่ได้ตั้งใจไปบัติท่านก็ไม่ได้สนใจเลยเลยท่านะเดินผ่านไปเฉยอย่างนั้นแหละนะท่านจะให้เราได้เหมือนกับว่าเกิดศรัทธาแล้วก็ลงมือทําำในตัวของตัวเองก่อนนะจูงมากเชืยอ์มาก หรือว่าอยู่ๆก็ไปบอกนั่นบอกนี่บอกโน้นมันก็ไม่ค่อยมีกําลังเท่าไหร่ไม่ค่อยมีค่ามีคุณเท่าไหร่เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านก็มีแต่ถอยลงถอยลงถอยลงกําลังตกอย่างเช่นหลวงพ่ออมเขียนเนี่ยกลังท่านก็หมดลงหมดลงหมดลงการพูดการสอนท่านก็ชี้ชัดเมื่อวานเนี่ยท่านเทศท่านก็บอกว่าก็คงจะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันมาก แต่ว่าทำมากก็วินในในตัวท่านเนี่ยก็ชัดเจนท่านก็ใช้ชีวิตเป็นส่วนตัวส่วนตัวมีความชัดเจนในตัวท่านก็ได้ทำนั้นทำนี้ทำโน่นอย่างตอนนี้ท่านก็อยู่ภูเขาทองท่านก็บอกว่าท่านได้ชี้ได้เทศได้สอนอยู่ตรงไหนท่านก็ทำหน้าที่ของท่านงานที่สุขโตเราก็เห็นอยู่หลัอองความเขียนท่านก็ไปไปมามา อาจารย์ไพษษาศาลิสารโลเจ้าว่าท่านก็ไม่อยู่แล้วเราจะอยู่คนยังไงทาไมมีความรู้สึกตัวมันจะกินฟรีๆนอนฟรีๆหาความสุข ก, การกินการนอนทำนั่นทำนี้ท่านนมันก็เสียเวลาชีวิตละล่ะก็จึงก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะรู้จักถึงพื้นที่วัดป่าสุโตแล้วก็คำสอนของครูบาอาจารย์ท่านมีไว้ให้เราได้นะ มันก็ว่ามีสิ่งแวดล้อมมีสปายะเนะพื่อที่จะได้เข้าถึงสภาวะของความรู้สึกตัวความเป็นปกติธรรมทำอะไรก็เป็นความปกตินะการเคลื่อนมือการกินการ ก, ก, กับถ่ายเป็นความปกติเป็นความรู้เนือ้อรู้ตัวรู้สึกตัวตัวนีน้มันก็จึงไม่ว้าเวนะ ถ, ถ้าทุกคนมีความรู้สึกตัวแล้วก็ไม่นะมันก็ว่า มีการกระทบกระทั่งอย่างที่หลวงพ่อเขียนท่านได้ป่าลบเอาไว้เมื่อวานนะต่างคนต่างอยู่กันปรีวิเวทเราสนใจฝึกใจที่จะเก็บอรมปฏิบัตินะรู้จักตัวเองมากที่สุดนะรู้เนื้อรู้ตัววัดป่าสุโตจึงเป็นครอบครัวสาธิตครอบครัวสาธิตของโลกก็า่าได้อยู่กันโดยนะไม่ต้องมีกฎหมาย ไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีทหารนะไม่ต้องมีอะไรทั้งนั้นอ่นะเพราะว่าทุกคนมีความรู้สึกตัวนะก็อยู่กันได้อย่างสันติสุขสันติภาพนะอย่างตอนนี้เรารู้หน้าที่เราก็มาทำวัสดุกันนะุเดี๋ยวอีสักพักต่งตางๆคนต่างมีหน้าที่ไปทํากิจของตนของตนนะบางคนตอนนี้ก็อยู่ครัวนะเตรียมทําอาหารบางคนล้างสารพิษทำไมครูก็ทําอาหารล้างสารพิษไม่ให้ะ อาหาที่ไม่เป็นของสแสลงอย่างบางคนก็เตรียมทําอะไรอีกมากมายเหลือเกินคนละมือคนละไม้บางคนก็เปิดน้าไว้ให้ละเรียบร้อยเปิดสวิตเปิดกันเอามอเตอร์ก็ทํางานต่อไปบางคนอา จ, จะไม่สบายอาจจะไม่ได้มาทําวัดสุดมนันแล้วก็เห็นกันเข้าใจกันเพราะทุกคนหันกลับมาดูตัวเองก็เห็นร่องรอยของตัวเองน วันนี้บางทกีก็เป็นอย่างที่เราเคยเป็นย่ีก็ไม่เป็นไรวันนี้บางทีเราก็เปลี่ยนไปนต่างจากเก่าเราก็เห็นตัวเองยก็ไม่เป็นไรวันนี้น้องก็เข้ามาใหม่เขาอาจจะไม่เข้าใจเราก็ได้ค่อยๆช่วยเหลือบอกกล่าวเขานอย่างเนี้ยเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะ ก็จึงเป็นบรรยากาศของการยามิตรแล้วก็มีบรรยากาศของการยาณธรรมนะการยาณธรรมที่ดีนะก็หมายถึงทุกคนมีความรู้สึกตัวนั่นแหละนะความรู้สึกตัวจึงคือนะสติปัฏฐานสี่เรารู้ที่กายเนะรารู้ที่เวทนาเรารู้ที่จิต เวลาคิดมันนึกมัปู่มันแต่งหรือลึก ๆ, ๆที่ธรรมชาติ ร, ารอบๆตัวนี<ง>่ก็กลายเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาที่ยังจะพาไปสู่ความสุขความสวยความดีความงามและท้าสุคือความจริงโลกนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปใจเราจะเป็นยังไงก็ตามแต่โลกนี้ก็ก็จะเป็นอย่างที่เขาเป็นอีกต่อไป ทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสัตว์สรรพสิ่งมันก็จะเป็นลักษณะของเครื่องระลึกที่เราจะต้องระลึกทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบทั้งเจตนาและเหนือเจตนาเพราะว่าสภาวะของความรู้สึกตัวนี้มันไม่ใช่เราแต่มันเป็นธาตุรู้แล้วก็รู้อย่างมีพลังมันจะรู้นะ เห็นโลกตามความเป็นจริงจริงจริงอย่างี้นะเพราะนั้นก็ขอให้ความประพฤติดีปฏิบัติดีของเราทั้งหลายนั้นก็จงเป็นไปเพื่อนะการทำที่สุดแห่งกองทุกโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนนั้นเธอ